ในการทีเราเห็นจิตที่เป็นปกตินี้ในขณะนั้นไม่มีความปรุงแต่งในขณะนั้นจิตกํลาลังมีสติจิตกํลาลังมีสมาธิเป็นสติและสมาธิที่เขาเรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิพอจิตนี้มีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิเป็นปกติอยู่เราเห็นบ่อบยๆมันจะขยายฐานนี้ออกเป็นฐานของความเป็นปกติฐานที่เป็นปกติอยู่วันนี้ไม่มีกิเลสไม่มีโมหะ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 คือเวลาเราเห็นจิตมันทยานไปเนี่ยเราไม่ใช่ไปดึงมันกลับมาการดึงเนี่ยดีเราเข้าไปกระทําบางสิ่งบางอย่างแล้วสมมุติว่าเราดึงมันสําเร็จจิตที่มีตัวเราเนี่ยมีอัตตาเนี่ยไปการดึงไปกลับมาเนี่ยจิตนี้เองเนี่ยมันจะสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ในจิตว่าเราจัดการทุกอย่างได้แต่ในความเป็นจริงทุกสิ่งเป็นอนัตตาคุมไม่ได้เท่ากับว่าถ้าเราไปดึงมันกลับมาได้ จิตนี้จะถูกตอกย้ำวิชาทิฏฐิลงไปว่าคุมได้แต่เราไม่ทันรู้เราไม่ไดเป็นรู้จิตมันรู้เพราะนั้นเวลามันไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปดึงมันกลับมาเรารู้ทันว่ามันไปแล้วพอเรารู้ทันเนี่ยมันกลับมาเองถ้าเรามีฐานตัวนี้ที่พี่บอกูมันจะกลับมาเองมันจะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวนี้เองโดยที่เราไม่มีการดึงไม่มีการอะไรเราแค่รู้เฉยๆว่ามันไปอย่างบอกว่ามันไปแล้วจนมัน เรียว่าสมมติว่าสร้างเรื่องแล้วปรุงไประดับหนึ่งแล้วเราค่อยรู้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีฐานในความเป็นปกตินี้แน่นหนาเนี่ยมันแค่ขยับเนี่ยเราก็รู้แล้วี่มันยังไม่ทางไปไหนเลยพอเรารู้ ม, มันก็คล้ายๆมันช็อกแอตายตา ย, ายไปไหนไม่ได้เออคล้ายๆโดนสตาร์ทเ อ, อ๊ะตายเลยไปไหนไม่ได้เนี่ยแบบนี้ทําไมมันเป็นแบบนั้นได้เพราะจิตเนี่ยมีกํำลังที่แท้จริงคือฐานในความเป็นปกติฐานในความ ไม่มีตัวตนเพราะความเป็นปกตินี้มันมีอยู่แล้วมันเหมือนดวงจันทร์ที่มันมีอยู่แล้วแต่เมฆหมอกนี่มันปกคลุมมันไว้เวลาเราไปดูอาการของจิตเนี่ยเหมือนเราไปดูเมฆหมอกเรายังไม่เห็นดวงจันทร์ทีนึ่งเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราโมวแต่ดูเมฆหมอกเมฆหมอกก็ออกมาเรื่อยๆใช่ไหมเพราะจิตนี่จะผลิตเมฆหมอกมาให้เราดูเรื่อยๆเราไม่ย้อนกลับเข้ามาถึงดวงจันทร์ทีหนึ่งใช่ไหม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 การหายใจของเราเนี่ยมันหายใจเข้าออกไม่ต้องลึกไม่ต้องยาวไม่ต้องสั้นเอาธรรมชาติพอเราหายใจเข้าหายใจออกบางทีเนี่ยตอนเราหายใจออกเนี่ยมันสุดลมหายใจออกเนี่ยเราไม่ได้ต้องการลมหายใจเข้ามันจะมีสภาวะที่มันหยุดอยู่ตอนลมหายใจมันหยุดน่ะ น, นะร่างกายเราก็หยุดอยู่เพราเรานั่งเฉย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 มันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราแหวกเมฆหมอกไปเราก็เห็นมันได้เหมือนพระพุทธเจ้าจะพูดว่าเราเนี่ยเพียงแค่พลิกของความให้มันงายขึ้นมาเฉยเฉทุกสิ่งก็เปิดออกสิ่งเป็นจริงก็เปิดออกมันมีแค่นั้นแล้วเราพอมันเปิดออกเราก็จะเห็นของจริงอ๋อมันมีแค่นี้มันง่ายแค่นี้เองเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยเพียงแต่เราเปิดมันขึ้นมาเฉยเ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 ฝึกจากการทำในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนั่งสบายๆที่พี่บอกวันนี้หรือไม่ก็เดินจงกรมแล้วก็หยุดเพื่อจะสัมผัสมันพอเราทาไปทำไปทาไปบ่อยๆเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยความเป็นปกตินี้ที่เราได้รู้จักได้สัมผัสมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นฐานมันจะกลายเป็นฐานที่มั่นคงที่มันแข็งแรงที่มันยั่งลากลึกลงไปในจิตในใจเราเนี่แหละ